วันสุดท้ายละของพวกเข้าคอร์สรู้เรื่องบ้างไหมไคนไหนติดสมาธินะีเราก็รู้ทันใจที่ติดสมาธิอยู่ใจที่ติดสมาธิเนี่ยเป็นใจที่เราเข้าไปแทรกแสงเราเข้าไปควบคุมอย่างเรากลัวมันหลงเราพยายามไปเฝ้ า, าไว้เรากลัวจะรู้ไม่ชัดเราก็ไปคอยจ้อง ไปดูไม่ให้คลาดสายตาเราก็จะเกิดการเพ่งขึ้นมาแต่บางคนก็มีทฤษฎีที่ผิดเลยคิดว่าต้องเพ่งไว้ก่อนถ้าไม่สงบแล้วก็เดินปัญญาไม่ได้คิดอย่างนั้นเราแยกไม่ออกว่าสมาธิมีสองชนิดสมาธิมีสงบกับสมาธิตั้งมั่นไม่เหมือนกัน งันการที่เราจะภาวนาเริ่มต้นก็ชอบน้อมใจให้ซึมให้นิ่งๆแล้วคิดว่าเนี่ยสงบเป็นสมาธิจะได้เดินปัญญาสมาธิที่น้อมเข้าไปนิ่งไปซึมไปทื่ออยู่ไม่ใช้เดินปัญญาเอาไว้พักผ่อนเล่นสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นจิตจะถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาเป็นผู้รู้ผู้ดู สมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านชอบพูดคาว่าจิตผู้รู้หลังๆเราลืมคาว่าจิตผู้รู้ไปเรามีแต่จิตผู้เพ่งถ้าไม่จิตผู้เพ่งก็มีแต่จิตผู้คิดจิตผู้เพ่งนะสุดโตไม่ข้างบังคับตัวเองจิตผู้คิดแล้วสุดโตไ้ไปข้างฟุ้งซ่านหลงไปอยู่ในโลกของความคิด จิตผู um ้ร so ู้นะไม่ใช่จิตผู้คิดไม่ใช่จิตผู้เพ่งเป็นจิตที่หลุดออกมาจากโลกของความคิดแล้วก็เห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เพ่งอยู่ที่ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่จิตไปรู้เข้าแล้วก็เราก็จะไม่เพ่งใส่ตัวผู้รู้ด้วยและเพ่งใส่ตัวผู้รู้ก็เป็นผู้เพ่งนะเป็นไปเพ่งใส่ปรากฏการณ์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอย่างรู้ลมหายใจก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็เป็นจิตผู้เพ่งไม่ใช่จิตผู้รู้ จิตผู้หลงจิตผู้หลงจิตผู้คิดนะมันถูกกิเลสยั่วก็ฟุ้งซ่านออกไปไม่มีกระทั่งความสงบส่วนจิตผู้เพ่งมีความสงบนะแต่ไม่ตั้งมัน่นเราจะต้องมาฝึกเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยไม่ฟุง้งซ่านในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่งเอาไว้มันทรงตัวสบายของมันเป็นผู้รู้ผู้ดูสบาย วิธีที่เราจะพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาก็คือหัดรู้ใครรู้ทันหาอารมณ์กรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้แต่ไม่ใช่พุโทโธเพื่อจะน้อมจิตให้นิ่งไม่ใช่หายใจเพื่อน้อมจิตให้นิ่งเราพุโทโธเพื่อจะรู้ทันจิตหายใจเพื่อรู้ทันจิตคนไหนไม่ถนัดพุดโทโธไม่ถนัดรู้ลมหายใจจะดูท้องพองยุบหรือทํากรรมฐานอะไรก็ได้ไม่เลือกกรรมฐานหรอก ไม่ว่าจะทำกรรมาฐานอะไระอย่างดูท้องพองยุบหรือขยับมือทาจังหวะหรือพุโทโธหรือรู้ลมหายใจรู้อิริยาบทสีรู้เวทนาหรือบางคนจะเริ่มด้วยการรู้จิตไปเลยสำหรับบางคนดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ว่าจะรู้อะไระก็มารู้ทันจิตพุโทโธแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันพุโทโธจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อย พุโทโธแล้วก็ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆอยู่ก็รู้ทันนะตรงที่พุโทโธแล้วหนีไปคิดเนี่ยสุดโตกไปข้างหลงข้างคิดข้างฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งสุดโตกไปข้างบังคับตัวเองนะเป็นความสุดโตงสองฝั่งให้คอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันเราก็จะไม่สุดโตกไปสองข้างก็่จะเข้าทางสายกลางหรือรู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิต หายใจไปจิตหนีไปคิดเราก็รู้หายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้หรือหายใจไปแล้วจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมไหลไปรวมอยู่ที่ลมหายใจไหลไปลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปใช้กรรมฐานอะไรก็ได้แล้วรู้ทันจิตบทเรียนอันนี้ชื่อว่าจิตสิกขาบทเรียนของพระพุทธเจ้าสมบทบทที่อาภัพที่สุดนั่นคือจิตสิกขา พวกหนึ่งทำสมาธิแต่ไม่เรียนเรื่องจิตวนี้น้อมจิตไปก็เกิดนิมิตเกิดอะไรอุตรุดไปอีกพวกหนึ่งดูถูกการทำสมาธิไม่เอาสมาธิจะเอาแต่ปัญญาไม่รู้หรอกว่าปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่ไม่ใช่สมาธิชนิดเสื่อมไม่ใช่สมาธิชนิดนิ่งนิ่งสมาธิโดยตัวศัพท์ของสมาธินั่นแปลว่าความตั้งมั่น เราชอบไปแปลว่าสงบนะชอบไปแปลสมาธิว่าสงบจริงสมาธิไปลว่าความตั้งมั่นถ้าจิตมีความตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่หลงไปคิดแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ถ้าอย่างสุดตรงไปข้างหลงไปหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็หลงไปเพ่งคอยจ้องเพ่งๆอยู่ก็ไม่ใช่ผู้รู้เนี่คอยรู้ไปหายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทัน หายใจไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันหรือหายใจแล้วจิตไหลไปเพ่งลมหายใจหายใจแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตจะขยับมือก็ได้อย่างหลวงพ่อเตียนขยับมือก็ไม่ใช่เพื่อบังคับจิตแต่ขยับมือเพื่อรู้ทันจิตเนี่บทเรียนชื่อจิตสิกขานะสิ่งที่จะได้มาก็คือสมาธิถ้าไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะอย่ามาคุยเรื่องเดินปัญญาไม่มีทางเลย สมาธิต้องฝึกนะฝึกให้จิตใจตั้งมัน่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวน่นแหละเรียกว่ามันมีสมาธิขึ้นมาคนในโลกลืมตัวทั้งวันหลงไปอยู่ในความคิดทั้งวันเดี๋ยวคิดไปอดีตคิดไปอนาคตร่างกายมีอยู่ในปัจจุบันก็ไม่เคยรู้สึกถึงมันจิตใจมีอยู่ในปัจจุบันอย่างมันสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างไม่เคยรู้ทันมันเลย หรือบางทีจิตวิ่งไปดูบางทีจิตวิ่งไปฟังบางทีจิตวิ่งไปคิดก็ไม่เคยรู้ทันมันเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาคอยรู้ทันจิตนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วมาคอยรู้ทันจิตไว้สิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตเป็นเด็กซุกสนนะแต่ขี้อายเวลาเผลอเมื่อไหร่มันหนีไปเที่ยวถ้ารู้ทันมันนะมันไม่สนนะมันก็เข้ากรมาอยู่ที่บ้านไม่สนไปที่อื่น แต่เราอย่าเอาโซ่ไปล่ามมันเอาโซ่ไปล่ามคือไปเพ่งไว้มันหนีไปแล้วไม่รู้ทันนี่คือมันหลงไปอย่าให้สุดตรงไปข้างมันหลงไปมันหนีไปโดยไม่รู้ทันแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่หนีเพราะถูกบังคับอยู่ตรงที่มันหนีแล้วรู้ไม่ทันนะเรียกว่ากามสุขาริการิโยกสุดโตรงไปข้างตามใจกิเลสตรงที่บังคับไม่ให้หนีเลยเนีย่สุดโตงมาข้างบังคับตัวเองเรียกอาตากิลมัทฐานุโยค สองอันนี้แหละที่ทําให้เราพลาดจากทางสายกลางคือทางแห่งการรูนะ้นั่นเราต้องรู้ให้เป็นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตไหลไปแล้วรู้นะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปเพ่งรู้ทันเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าเรียนเรื่องจิตถ้าเราเรียนเรื่องจิตนะจิตจะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาโดยเฉพาะจิตที่หลงไปคิดนะีถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตผู้รู้จะเกิดในฉับพลันนั้นเลย เพราะรู้กับคิดนะกลับข้างกันเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะแต่ด้านหัวด้านก้อยกลับข้างกันนะเมื่อไหรรู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้ก็เกิดขึ้นนะอันนี้ดีที่สุดเลยแต่รู้ว่าจิตเพ่งนะ่ะไม่ค่อยหายเพ่งนะรู้ว่าเพ่งก็ยังเพ่งไปเรื่อยๆเพราะดูไม่ออกว่าโลภเบื้องหลังการเพ่งคือความโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็ น, อ ย, ปนอยากได้อยากดีอยากเด่นนะมีอยากซ่อนอยู่ ทำให้มานั่งคอยจ้องไม่ให้คลาดสายตาัางนั้นดูด้วยความโลภใช้ไม่ได้นะทําไปด้วยกิเลสมีกิเลสแล้วเกิดการกระทํากรรมคือการเพ่งการจ้องมีความโลภแล้วก็ไปเพ่งไปจ้องในตําราสอนนะว่ากิเลสเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมกิเลสทําให้เกิดการกระทํากรรมทางใจโลภเพิ่มมาแล้วอยากจ้องอยากจ้องแล้วไปจ้อง เ, เกิดความอยากจ้องเนี่ยโลภ ก็ไปจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตาเนี่ยคือการกระทํากรรมนะในขณะที่เรากระทํากรรมด้วยความอยากความอยากก็ยังดํารงอยู่เพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่เราจ้องอยู่ด้วยความโลภอยากรู้ให้ชัดความอยากรู้นั้นยังดํารงอยู่สติจะไม่เกิดเลยสติจะเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าเมื่อไหรสติเกิดเมื่อนั้นไม่มีอกุศลเนะมื่อไร่สติหายไปเมื่อนั้นมีอกุศลได้นะ แต่บางทีก็มีวิบากจิตบางดวงก็เป็นอกุศลจิตจิตบางดวงเป็นวิบากเฉยๆไม่ต้องมีสติแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่จิจะเป็นกุศลทันทีจะเป็นอกุศลไปไม่ได้เงั้นในขณะที่เราอยากปฏิบัติแล้วเราจ้องเอาจ้องเอาสติตัวจริงไม่เกิดเพราะความโลภมันเกิดอยู่ไม่มีพื้นที่เหลือให้สติเกิดให้เรารู้ทันถ้าเกิดไปจ้องอยู่เนี่วิธีแก้จ้องนะ ให้รู้ทันว่ามันอยากอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ไม่ให้คลาดสายตาอยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้ให้ทันเป็นการดักดูไปคอยดักดูดักดูเมื่อไหร่ก็คือเพ่งเมื่อนั้นแหละถ้าเรารู้ทันใจที่โลภใจที่อยากนนะก็ไม่เพ่งถ้ารู้ไม่ทันมันก็เพ่งเราค่อยสังเกตนะจนใจของเราสังเกตจิตบ่อยๆในที่สุดเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมา จิท ต, ตจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจะมีความเบาถ้าหนักหนักไม่ใช่ของจริงจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะมีความอ่อนโยนนุ่มนวลถ้าแข็งกระด้างไม่ใช่ของจริงอย่างที่พวกเราชอบนั่งสมาธิรู้สึกไหมจิตหนักหนักบางทีบางทีจิตแน่นๆ่นแข็งแข็งไอ้นั่นสมาธิชั้นเล็วนะ ไม่ใช่สมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นสมาธิชั้นเลวใช้ไม่ได้เอาจิตยอย่างนั้นไปเจริญปัญญาไม่ได้ในพระไตรปิฎกก็พูดถึงจิตที่เหมาะสมกับการเจริญปัญญาไว้แต่ท่านพูดเต็มภูมิตามทฤษฎีนะ แ, แล้วก็เต็มภูมิเลยของผู้ปฏิบัติชั้นเลิศคือหัดเข้าฌานซะก่อนพอเข้าฌานนะถึงฌานที่สอง วิตกวิจาร์ดับไปสติไม่ดับนะมีสติมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตรงใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนี้ต้องมีมาตลอดนละ้ต้องฝึกมาค่อยๆฝึกนะอย่างหายใจอยู่ค่อยๆรู้สึกหายใจอยู่ค่อยๆรู้สึกอย่าให้เคลิมไปนะอย่ายให้ขาดสติลมหายใจค่อยสั้นเข้าสั้นเข้านะในสุดลมหายใจแปลสภาพมาหยุดนิ่งกลายเป็นแสงสว่าง มีสติรู้แสงสว่างนั้นแทนลมหายใจตัวลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตัวแสงสว่างเรียกว่าอุคหานิมิตเมื่ออุคหานิมิตเกิดขึ้นก็ทิ้งบริกรรมนิมิตไปรรู้แสงสว่างฝึกไปเรื่อยนะมันจะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ทาให้เต็มโลกเลยก็ได้แสงนี้ให้เล็กเข้าปลายเข็มเลยก็ได้เล่นเล่นเข้าเล่นออกนะจิตเนี่ยสนุกมีปีติซาบซาขึ้นมามันสะใจดี มีความสุขขึ้นมานะจิตมีวิตกคือตรึกอยู่ในแสงสว่างจิตมีวิจาร์คือเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างจิตมีปีติมีความสุขนะที่ได้รู้ได้เล่นแสงสว่างนั้นะจิตเป็นหนึ่งไม่หลงไปที่อื่นนะปฐมฌานก็เกิดขึ้นนะพอปฐมฌานเกิดขึ้นจิตมีปีติมีความสุขเนะี่ยถ้าสติรู้ทันนะ ความตรึกความตรองในแสงสว่างจะหายไปตัวนี้เป็นภาระของจิตเพราะจิตทิ้งการตรึกการตรองนะจิตผู้รู้แท้ๆก็จะเกิดขึ้นะงั้นเมื่อไหร่คิดอยู่นะเมื่อนั้นไม่รู้หรอกเมื่อไหร่ตรึกอยู่เมื่อนั้นไม่รู้หรอกยังไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้จะไปเกิดในฌานที่สองในี่ในพระไตรปิฎกจะพูดอย่างนี้นะตัวรู้เป็นตัวรู้เกิดขึ้นมาแล้วนะเห็นปีติสุขพอเห็นปีติปีติจะดับ พรปีติเป็นความหวือหวาของจิตเป็นภาระของจิตก็ดับไปเห็นความสุขเด่นดวงขึ้นมาสติระลึกลงไปในความสุขจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยูนะ่ความสุขก็จะดับเพราะความสุขก็เป็นภาระของจิตเป็นส่วนเกินหวือหวาไปจิตก็เป็นอุเบกขาเกิด เ, เอกักาตาจิตทรงตัวเป็นผู้รู้รู้อยู่นะมีเอกักาตา พอออกจากสมาธิชนิดนี้แล้วเนี่ยท่านจะพูดว่ามีจิตเบามีจิตอ่อนมีจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานโน้มน้อมจิตชนิดนี้นะไปเพื่อยานทัศนะเห็นไม้มท่านเตรียมความพร้อมของจิตนะก่อนที่จะเจริญปัญญาเพราะฉะั้นอยู่ๆไปเจริญปัญญารวดเลยไม่ได้เตรียมความพร้อมของจิตทําไม่ได้แต่ไม่ใช่ให้เข้าฌานทุกคนคนที่เข้าฌานได้มีน้อยกว่าคนที่เข้าฌานไม่ได้ ตั้งแต่พุท ธ, ธากาลแล้วนะกระทั่งพระอรหันตนะ์ที่ชํานาญในเรื่องสมาธิมีน้อยกว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสกะที่ไม่ชํานาญเรื่องสมาธิในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์สมัยพุท ธ, ธากาลนะมีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนรู้หมดเลยแล้วล้างกิเลสได้นี่เรียกวิชาสามอย่าง วิชาสามได้ขึ้นมาก็ต้องมีสมาธิหนุนหลังพวกนี้มีฌานหนุนหลังพระอรหันต์อีก60องค์นะจาก500ได้อภิญญาหกอภิญญาหกเนี่ยก็ต้องได้สมาธิเชี่ยวชาญเลยนะต้องถึงอัปนาเลยนะเชี่ยวชาญมีวสีด้วยจนเกิดอภิญญาจิตขึ้นได้พระอรหันต์อีก60องค์นะได้อุพระโตภาคมิมุต อุพโตภาควิมุตต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าบรรลุด้วยสมาธิและปัญญาอันนั้นแปลแบบคร่าวๆไปถ้าแปลละเอียดนะอุพโตภาควิมุตต์เนี่ยหลุดโดยส่วนทั้งสองคือหลุดจากรูปธรรมและหลุดจากนามธรรมพระอราหันต์อุพโตภาควิมุตต์เนี่ยท่านได้อรู้ประชาญหลุดจากรูปธรรมด้วยอรู้ประชาญหลุดจากนามธรรมด้วยวิปัสสนา เพราะฉะนั้นท่านหลุดโดยส่วนสองคือเป็นพวกที่ได้อารูปด้วยนะแล้วก็เดินวิปัสสนาเก่งด้วยนะพวกนี้มี60องค์จาก500เหมือนกันเงระนนรวมแล้วร8 0นะผู้วิชาสอภิญญาหกอุปโตภคคนะอีก60นะอย่างละ60 60บหกสิรมคือพระสุขวิปัสสกะนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ได้ฌานนะที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่ได้ได้ฌานหรอก ภาวนาอย่างที่พวกเราดูนี่แหล ะ, ะเจริญสติไปแต่ว่ามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะขณะจิตตั้งมั่นนะไม่ใช่จิตสงบคนละนกันแต่ในความตั้งมั่นมีความสงบสงบจากอะไรสงบจากนิวรณ์เท่านั้นเองไม่ใช่สงบจากอารมณ์ต้องแยกให้ออกนะที่ว่าสงบสงบมไม่ใช่สงบจากอารมณ์นะแต่สงบจากนิวรณ์อารมณ์มีร้อยอารมณ์ก็ได้พันอารมณ์ก็ได้มื่นอารมณ์ก็ได้ล้านอารมณ์ก็ได้ แต่จิตนั้นมันสงบจากนิวรณ์ไม่ถูกย่วให้ฟุ้งซ่านไปมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่แหลนะสงบแบบตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแบบสมถะคนละนะแลนะ้จิตบางชนิดนะสมาธิบางชนิดนะจิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี่คือสมถกรรมฐานสมาธิชนิดหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่ง อารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดจิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ฟุ้งซ่านตามอารมณ์ไปนะแต่ไม่ได้เพ่งตัวจิตไว้นะถ้าเพ่งตัวจิตเมื่อไหร่ตัวจิตจะเปลี่ยนสภาพจากผู้รู้ไปเป็นอารมณ์ทันทีเลยนะจิตจะแปลสภาพจากจิตคือธรรมชาติที่รู้นะกลายเป็นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้นะเพราะเราอย่าไปเพ่งใส่จิตด้วย เราจะต้องฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูวนะิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอาศัยสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตมันไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปเพ่งอนะย่างหายใจอยู่ก็ไหลไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นเลยนะหรือไปไหลไปคิดเรื่องคําบริกรรมนะฟองหนอยุบหนอไหลขึ้นมานี่ไหลไปคิดนะ ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดแนละ้วจิตรู้จะเกิดหลวงพ่อเตียนหนึ่งสอนนะว่าเมื่อไหรรู้ว่าจิตคิดนะนั้นก็จะได้ต้นทา ง, งการปฏิบัติหลวงพ่อ ด, ดูลก็สอนนันเดียวกันบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดถึงรู้แต่ไม่ใช่เป็นวิปัสสนานะเพิ่งจุดตั้งต้นเท่านั้นเองเพิ่งหลุดรู้หมายถึงหลุดออกจากโลกของความคิดหลังอย่างนั้นต้องเจริญวิปัสสนาอยู่ดีแล้วนะนะ ต้องรู้ความจริงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปน่ำด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละถึงจะเป็นมิปัสนาแท้ถ้าไม่มีจ Tokyo, ิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไประลึกรู้อะไรนะจิตจะถลำลงไปจ้องพอรู้ลมหายใจนะจิตจะจ้องลมหายใจเพอจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้อิริยาบถสี่จิตจะไหลไปจ้องอิริยาบถจ้องร่างกายทั้งร่างกายเลยอย่างรู้ลมหายใจจิตจ้องอยู่ที่ลม จ้องอยู่ที่ท้องเนี่ยจ้องบางพื้นที่รู้อิยาบท 4, นะีนั่นรู้มันทั้งตัวเลยแต่บางคนก็ยังอุสาบบีมความรับรู้ลงไปอยู่จุดเล็กๆนะเช่นเดินอยู่ก็ไปรู้อยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยนะจิตมันจะไปคับแคบอยู่นะอย่างนั้นไม่ใช่จิตผู้รู้ถ้ามีจิตผู้รู้มันจะเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูร่างกายกับจิตเป็นคนละอนกันนะตรงที่เห็นร่างกายกับจิตเป็นโคนละอันเนี่ยแยกรูปแยกนามได้แล้ว เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งในสิบขั้นนั้นพวกเราคนไหนตอนนี้แยกรูปแยกนามได้บ้างมีไหมยกมือให้ดูสิเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตไม่เห็นทั้งวันนะเห็นเป็นคลาลคลาล์นะเห็นทั้งวันไม่ได้หรอกไม่ใช่ภูมินยกมือยกให้มันโดดเด่นเลยโอ้เยอะนะพวกนี้ก็เริ่มเดินปัญญาละวเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราใครเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างเห็นเป็นคลาลลาว์ยกมือสิ โอ้เห็นด้วยการคิดหรือว่าเห็นจริงๆถ้าเห็นด้วยการคิดนะเป็นยานที่3ชื่อสัมมาสัญาณถ้าเห็นจริงๆนะเป็นยานที่4ชื่ออุททยับพญายานันถ้าเห็นด้วยยานที่4เนี่ยขึ้นวิปัสสนาละนะมีปัสสนากรรมฐานจะขึ้นตรงยานที่4นะในยาน16บหกยานที่1แยกรูปกับ น, นามออกจากกันได้เห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะัเป็นขุละอนกันมีช่องว่างมาคั้น ไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่เนื้อเดียวกันร่างกายเคลื่อนไหวนี่รู้สึกเลยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยแยกอย่างนี้ได้นะได้ยานที่หนึ่งยานที่สองชื่อปัจจะยะปริฆหายาณรู้เลยรูปธรรมต้องมีเหตุถึงจะเกิดนามธรรมาต้องมีเหตุถึงจะเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่ได้เกิดลอยๆอยนะอันนี้เช่นร่างกายมันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเพราะจิตมันสั่งนะถ้าจิตไม่สั่งมันไม่เป็น แต่ก็มีเหมือนกันนะเดินกะจะเดินนะไปเหยียบเปลือกกล้วยเข้าลงไปนอนอันนั้นจิตไม่ได้สั่งนะแต่ซุ่มซาำเนี่ยไฟคอรู้เอานะรู้เข้าไปเลยเห็นร่างกายส่วนร่างกายนะจิตส่วนจิตเห็นเลยร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งอย่างเงี้ยร่างกายอ้าปากระงับปะงับได้เพราะจิตมันสั่งจิตล่ะมันเกิดได้ยังไง มีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีกระทบอารมณ์ขึ้มานะจิตก็เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ได้นะมีหลายอย่างนะองค์ประกอบมันเพราอนมันอิงอาศัยซึ่งกันระหว่างรูปธรรมนามธรรมทำงานร่วมกันอยู่นะต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเห็นเลยเออทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาเราตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนกันนี่เห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบนี่เป็นยานที่สามนะ ชื่อสัมมาสนญญาณนะต่อมาไม่คิดแล้วแต่เห็นสภาวะสดสดร้อนๆอนเลยนะเห็นสภาวะสดสร้อนๆอนเห็นรูปธรรม ท, ที่หายใจออกเห็นรูปธรรม ท, ที่หายใจเข้าเป็นขนล่านกันนะเห็นจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรนะื่อยเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยการที่เห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมานันเรียกว่าอุทยพ ย, ายาัยญา นี้พอเราภาวนามาเจนเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมนะตรงนี้ถึงตรง น, รงนี้วิปัสณูภิกิเลสจะเกิดขึ้นนะไม่ใช่นิมิตนะนิมิตเกิดในสมถะสมถะที่ยังไม่เข้มแข็งก็จะเกิดนิมิตวิปัสนาที่ยังไม่เข้มแข็งนะจะเกิดวิปัสสนนะูวิปัสณูมี10อย่างนะอันแรกเลยชื่อโอภาษทําไมจัดไว้อันแรกเห็นติดกันเป็นแถวเลยติดเดียวกว่าอย่างอื่นนะ โดนเด่นเป็นหนึ่งเลยล่ะโผล่ Flow ขึ้นมาก่อนเพื่อนจริงๆเลยอันเนี้ยติดโอภาษ์กันอย่างเวลาเราหัดดูจิตดูใจรู้สึกไหมเราเห็นกิเลสเห็นอะไรโผล่โผล่ขึ้นมานะเสร็จแล้วกิเลสมันวิ่งหนีได้นะเ น, นี่ยหนีออกไปข้างนอกนะัเราก็ตามไปดูจิตมันส่งออกไปข้างนอกไปตามไปดูแล้กิเลสดับปับ๊บมันจะว่างสว่างว่างนะอยู่กับความสว่างความว่างของจิตโอ้มีแต่ความสุขล้นๆนเลยคตอนนี้ไม่เดินปัญญาต่อล้ที่หลวงพ่อ พูดเรื่อยๆพวกเราจำนวนมากที่เป็นก่อนหน้านี้นะตอนนี้หายไปเยอะแล้วฟังซีดีบ้างถูกโขกถูกสับบ้างจิตไปสว่างว่างอยู่ข้างหน้าลดลงไปเยอะแล้วนะไม่ค่อยมีตรงนั้นแหละจิตไปเพลินอยู่ตรงนั้นวนะิปสัสสุนมี1ิบอย่างก็จริงแต่ทุกอย่างคือจิตออกนอกทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นวิปัสสนู10ิบอย่างเนี่ยบางทีท่านเรียกในพระไตรปิฎกว่าธรรมมุตทัจจะความฟุ้งซ่านในองค์ธรรมสิประการ นะมีโอภาษเป็นต้นแสงสว่างนะเวลาพวกเราพานารู้สึกไหมพอใจเราโล่งว่างสบายสว่างรู้สึกไหมสว่างแล้วเราทำอะไรเราก็อยู่กับความสว่างจะอยู่ข้างหน้านะเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านออกไปอยู่กับความสว่างนะแล้วไปติดตรงนี้แล้วทํายังไงจะแก้วิปัสสนูวิปัสสนูเกิดจากความฟุ้งซ่านหรือส่งจิตออกนอกนั่นเอง ถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้ทันว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสสู้สติไม่ได้นะสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นงั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตฟุ้งออกไปนะฟุ้งไปอยู่กับความสว่างเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับนะจิตจะทวนกระแสะเข้ามาหากายหาใจของเราเองนะภาวะแห่งความรู้ตื่นเบิกบานก็จะกลับมาอีกเนี่ยพอเราฝึกไปจนชำนิชํานาญน้ําผ่านตัวนี้ได้เรารู้แล้วว่าอันนี้วิปัสสนูไม่ใช่ทาง ทางคือต้องมีจิตตั้งมั่นที่หลวงพ่อว่ no า HBO, จิตถึงฐานจิตถึงฐานน่ะนะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จริงๆไม่งั้นจิตไม่ถึงฐานจิตไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่กับความว่างความสว่างนั้นเดินต่อไม่ได้ไม่ใช่ทางก็รู้เลยว่าจุดที่เป็นทางนี่นะคือจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นปรากฏการ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หยุดนิ่งถ้าปรากฏการ์ทั้งหลายหยุดนิ่งเนี่เป็นสมถะล้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง ปรากฏการทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างสบายๆจิตเบาจิตนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่ว ว, ว่องไวแต่ไม่ฟุง้งซ่านไม่ไหลไปตั้งมั่นเป็นคนดูสบายๆเหมือนเรานั่งดูเขาเล่นกีฬาดูอย่างสบายๆไม่ลงไปคลุกกับเขานะไม่อินกับเขาดูสบายๆพอมาถึงตรงนี้นะในมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งชื่อวิสุทธิใครเคยได้อ่านบ้างวิสุทธิเจ็ ธรรมะเรื่องวิสุธทธิเเนี่ยอยู่ในพระสูตรที่โดดเด่นเป็นหนึ่งเลยนะสูตรหนึ่งเลยคือรัฐวินีตสูตรรถเจ็ดพลัดรถ7จพัดนะก็คือวิสุธทธิ7ประการนั่นเองคนไหนที่ผ่านวิปสัสสนุไปแล้วนะรู้ว่าวิปสัสสนุไม่ใช่ทางจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเห็นรูปประธรรมนามมาทำเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับได้ตรงนี้ถ้าเทียบในวิสุธทธิเนะ ก็ได้ได้วิสุทธิที่ชื่อว่ามัคขามาขาัคคายานัทสนวิสุทธ์ชื่อยาวเป็นปี๊บเลยนะมัคขามาขาัคคะมาจากอะไรมาจากคาว่ามากกัคอะมัคนะ ม, มัคอมัค ม, มัคอมัคมัคอะมัคมันะจะออกเสียงเป็นคําสนทิมจะออกเสียงยกลายเป็นมัคขามัคขามาขาัคนคะมัค ก, กับอมัค รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางคนที่ได้มรรค่มามกคายานทัศนวิสุทธ์คือคนที่พ้นจากวิปัสสนุแล้วถัดจากนั้นน ะ, จะเจริญวิปัสนาได้เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปัายานทัศนวิสุทธ์เราจะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อย่อมาง่ายๆให้มีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงนะคือไม่แรกแสง มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเรารู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นคือมันเป็นไตรลักษณ์แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่อินไปไม่หลงเข้าไปเพ่งไม่หลงเผลอไปจิตนะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูสบายๆนะตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปนะเป็นกลางด้วยสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นกลางสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเสมอกันหมดเลยเพราะสุขทุกข์ดีชั่วแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกัน เราจะเรียนไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมุ่งเรียนให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่เรียนเอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าเรียนเอาดีเอาสุขเอาสงบนั่นคือสมถกรรมฐานจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบนั่นคือสมถส่วนวิปัสสนานั้นดีก็ได้เลวก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เสมอกันเพราะเราจะเรียนไตรลักษณ์สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยง มันเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เราเป็นแค่คนดูเราเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งเราเห็นเลทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเนาีเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ใจจะหมดความดิ้นรนนะเพราะเห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันสุขกับทุกข์เท่ากันดีกับชั่วเท่ากันจิตจะไม่ปรุงต่อรู้แล้วจบหลงที่รู้รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราชอบพูดคาว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่มีจริงหรอกกนะว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นนะเกือบจะเกิดอริยมรรคล้ นะตอนที่ต่อแตะอยู่อย่างนี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกเจอสุขก็ชอบเจอทุกข์ก็เกลียดนะวันนี้ไม่มีสติเลยท้อแท้ใจวันนี้สติเกิดบ่อยสู้ซาสู้ซาเลยเห็นไหมดีใจเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นกลางได้นะปัญญาต้องอย่างยิ่งเลยเห็นเลยเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะถ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันไปหมดนะจิตจะไม่ดิ้นรนต่อ เห็นด้วยปัญญาอันยิ่งนะตัวนี้เรียกว่าสังขารุเบกขาย า, นะ า, ายานเป็นวิปัสนาญาณตัวที่9กนะ้ตรงที่เห็นความเกิดดับของรูปนามจนกระทั่งกเกิดวิปัสสนูอะไรเนี่ยนะเป็นตัวที่หนึ่งนะวิปัสนาตัวที่9้าอย่าไปกลัวว่ามีหลายตัวบางคนเดินนะปุ๊บเดียวทะลุ9้าตัวเลยนะบางคนเดินนิดหน่อยนะก็ทะลุไปเกิดความเบือ่อเกิดความเมืองวางเกิดความกลัวอนะไรขึ้นมาแทรกเข้ามาว่าตัวตนหายไป เนี่ยบางทีกระโดดนะ้ํามันผ่านอย่างรวดเร็วเลยนะมันไม่ใช่ไปค้างอยู่นานๆหรอกมีตั้ง9กายานฝังล้าท้อใจยานที่หนึ่งยังไม่ค่อยจะได้เลยต้อง9ก้ายานเมื่อไหร่จะได้มรรคผลไม่เป็นอย่างนั้นหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมากๆนะ่ยในสุดจะเห็นนะีทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันพอสุขทุกดีชั่วเสมอกันนะความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ปรุงต่อคือไม่ปรุงว่าทํายังไงจะเกิดบ่อยๆทยําไงจะเกิดนานๆ ความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตก็เป็นกลางอีกไม่ปรุงว่าทําไงจะหายไปทํำยังไงจะไม่เกิดนะจิตเป็นกลางพระจิตเป็นกลางจิตไม่ดิ้นรนนะจิต ท, ที่หมดความดิ้นรนนะจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยคราวนี้แล้วอริยมรรคจะเกิดขึ้นในอัปปนาสมาธิอริยมรรคไม่เกิดในขณะจิตของมนุษย์ธรรมดาอย่างนี้จะต้องรวมเข้าอัปปนาเสมอไปตั้งแต่ฌานที่หนึ่งนะแต่ถ้าคนไหนรวมเข้าถึงอรูปฌานนะพวกนี้จะหลุดพ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าอุพโตภาควิมุติ ถ้าถึงอรูปส่วนใหญ่ไม่ถึงอรูปนะเข้าปฐมฌานทุติยฌานฌานสามฌาน4ี่ 3, 4, อะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัดกิเลสลงไปงั้นพวกเราไปเรียนนะรักษาศีลห้าไว้รู้สึกตัวบ่อยๆนะฝึกไปจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้จิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานแยกธาตุแยกขันไปเห็นมันเหมือนคนอื่นทํางานไปด้วยนะ ถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตไม่ดิ้นรนต่อมักผลก็จะเกิดขึ้นนะไปเดินต่อนะไปทำเ อ, เอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ